ฝังแล้วมันจดจำได้ทมวัดเย็นก็ทา ส, สั้นๆเพื่อเป็นพิธีที่จะมาเราหรือมาเวาธรรมะให้พวกเราฟังธรรมะนั้นนะ่ะบางคนบม่เข้าใจบางคนเข้าใจเพราะระบบศึกษาตัวเราระบ้จักการควบคุมตัวเราศึกษาตัวเรา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 ตรวจเ็จร่างกายในบางคนเขาก็บอกให้ซึบซึบสลุกคอไปอยู่กับลูกกับหลานจะดีกว่เท่าแล้วเข า, าบอกหมอบอกท่านนะแสดงว่าหมอกข บ, บุญเขาจากขักถ้าหากหมอขบุจากคับก็เป็นโรคอันนั้นเลยเขาต้องให้ยาทันทีท เ, เป็นผมก็ปร้อยไปให้จนมันเป็นโรคทีแรกมันอาจจะเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นโรคอย่างนี้หมอขบุญเพราะเราหมอขบจุจนเป็นมะเร็งขึ้นภายในกระเพาะกุนเป็น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 เจนเท่าหมอเขาให้ยากินจนผ่าตัดที่เรานกไม่เป็นอะไรนี่เราให้เขาจับศึกษาที่ตัวเราปฏิบัติที่ตัวเราอันความเจ็บคุณปว้นเป็นธรรมดาเขาก็ต้องรู้จักซึ่งที่มันจะแก้ไขตรงแก้ไขซึ่งที่โบแก้ไขได้ก็มีเป็นธรรมดาไปเลต่อมาผมมาผาตัดหุดในครั้งที่สามนี่แะครับอันนี้ก็อะการหน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 มันจะเพียงจะว่ารู้แล้วซื้อนี่ได้มันโบลูเน๊นี่คือว่าเบิ่งเนี่ยนักศึกษานักเรียนเรียนมาคิดมากควบคุมโบได้เดี๋ยวผมคิดแต่เป็นบ้าก็มีเรื่อเป็นบ้านี่ยเพราะควบคุมจิตใจโบได้เป็นบุ้งไ่ควบคุมร่างกายต้อควบคุมจิตใจจิตใจมันฟนุ้งซ่านถ้าเขาเลิกไปเดี๋ยวผมคิดร่างกายอ้นนวนข้นสมบุญณ์บเจ็บโบเป็นพีย่ย่างพระจ้าก็เลยคุมมันโบได้ในคน ว, ว่า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 โบดีเฮ็ดโบดีป้ดีป้อเนี่ยมันเป็นอาตันอยู่บทเสาเนี่ยแปลว่าเราโบมีกําลังใจหรือว่าบูรู้จักจิตใจตัวเองในว่นเดียไปเป็นอาตัรเนัยงยว่ามาที่นี่ที่เรามาฝึกหัดอันนี้พระคือกันโยมคือกันต้องปฏิบัติเพศเดียวกันนั้นปฏิบัติให้รู้ใจของคุณนะี่ยใจมันคิดให้รู้จักใจมันขี้เกียจขี้คันให้รู้จัก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 เจ้าของต้องห่วจังเรี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลี้ยวข้างซ้ายข้างขว า, ขาเนี่เลียบเมืองมู่เมืองเพื่อนมู่เพื่อนเหตุยังไงเขาดีหรือเขาบุญดีเขาเหตุใจเป็นว่าเลียวเมืองตัวเองมาเนี่ยกำลังนึกกำลังคิดอยู่นี่เป็นว่ า, วาให้ควบคุมตัวอมันได้ควบคุมรูปอันนี้ถ้าหากว่ามันเี้นโน่นเกินไปควบคุมมันได้ใจมันคลิกขึ้นมาบมาเนี่ยควบคุมมันได้เป็นสวา่าดีแล้ว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 พ่อแม่ฝึกหัดพ่อแม่ถือว่าบุหัจหักลูกโดยอย่างใส่มเป็นเอาบุรีให้ลูกไปไต้ไปจุดไฟไปจุดไฟให้พ่อได้ไปต้องไปไปต้องสูบอันนี้แสดงว่าใส่ลูกบ่เขาเรื่องใส่ลูกโมเป็นเป็นอย่างไรก็เลยสูบยาสูแบออกกแล้วโมออกเป็นได้ไปเจนิเท้าไปปฏิบัติธรรมะที่แล้วผมอายุสี่สิบหกปีบุหสี่สบหกปีนี้ผม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 ซูบบุรีผมเลิกได้ไปดูการเล่นเล่นการพ น, นันฟังด น, นตรีฟังขับลํำพำเพลงผมเลิกเลยเมื่อว้ายพี่ว้เทวดาผมเลิกเลยเมืทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจยล้วที่ว่าเอามาพูดเอามาสอนเอามาแนะนำป่าตักเตือนกันจว่าฝึกหัดให้มันรู้ดีๆให้พี่มาควบคุมเขา ม, ม า, า, างที่มาควบคุมยังได้ของพี่มือนกระบอหมีเด้ แจ้งเทวดามาควบคุมเขาเทวดาที่ไหนเหมือนกีพี่คือคนทำซัวพูดซัวหน้าลื่นหน้าด้านนั่นแหละ <_ c oughs> เคยได้ยินบอกว่าบักผีก็เป็นว่ายากเนอะเคยได้ยินบอว่าผีนี่เคยได้ยนินบอกได้ยินวะเออนี่นเคยได้ยินบะเ <_ C> นนได้บะเนี่ยพระเด้เนี่ยีพระผมมีเนี่ยนี้กป็นมรรยายนีคือผีนั่นเี่มันต้องคือซื่อๆนี่เนี่ยบ่เห็นจิตเห็นใจบ่ได้บ่เป็นร่างกายเป็นนี่ถึงผีใจบ่ได้ถึงผี ไม่เป็นอะไรทั้งนี้เกิดวายาบกทีบันเนียเนี่ยอีพีบันเนียเนี่ยพระทีเดนทีจสเน็ตเหมันเวายาคือว้คนวายาเนี่ยของเราเป็นผีผีหงูผีฮาผียังสลบครับมันเป็นอะไรเทวดาเี็ยคนเวาดีเวานายสอด่ายเวา่ายคือเทวดาเนาะแมกขวายเทวดาก็ะ่บมีตนว่รมีตัวอย่างโตคนเวานายคนเวานายเข้าใจ่ายพุ่น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 นิพพานันเนีป็นว่านิพพานคือโควบสับสนโควบวุ่นวายโบเดือดร้อนเนว่าองาเออ น, นิพพานคือมันโควบมารบกวนเขาเขาเห็นรู้เท่ารู้ทันรู้ถึงเหตุการณ์ของมันเพื่อนเออนิพพานเพนืพ่อนเออน ก, กิณญธรรมโลกุตละธรรมโล ก, กิณญธรรมนั่นคือว่าคิดอยู่กับโลกเมื่อวางโลกใดเขาเออโกกรกิณญาธรรมมันผู้ห่างไกลคผู้ยังยกไกลไกลจากนิพพาน นี่เขาไปในผาน่ะสมมุติเขาคือว่าเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยเขาที่ไปกรุงเทพสมมุติกรุงเทพเป็นมิถานบ้านเขานี่เป็นโลกียะรับเขาน่ะเมื่ากีไปกรุงเทพเนี่ยไปฮอดขอนแกน่ะไปฮอทคอ น, นไปนนลงลดลงอย่างเละเลยน่ะตอโบตอเนี่ยไปโบหอดแล้วตายข้างทางอันแล้นเออโลกียะแร้วโลกียะบัดนี้พุทตั้งใจไปเนี่ยไปฮอดกรุงเทพบริแทนไปเบิ้ง นาหลวงไปเบิ้งทุ ก, ก อ, อกทุกซอยทุกมุมโอ้ลักษณะของคนกรุงเทพการธรรมาหากินไปอย่างนี้หน่อยหจักอันนิ้นกหลกอุตรธรรมพิจาริพพานเหมือนเพราะเขาไปหู้จักนม่คนทุกคนต้องตายนี่พอวายฝังยกเว้นบ่ได้นี่เป็นอสัจจธรรมอะไรตายจะเทดีนะผู้น้อยก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายเจ้าหัวอจวดตายมัดทุกคน ทุกศาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยที่อย่าพอวานคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กษคนอเมริกาคนคาเมลคนญวนคนลาวตายเป็นมืดในพระเอินเ้นสัจจะทำสัจจะเรียของจริงเตี้ยนแปลงโบ้ได้เป็นวันนั้นแท่งห่อที่เป็นหุ่นจักสัจจะอย่างที่โบ้ได้ไปบ้ไปผิดสัจโบ้ได้ทำโบ้ทําผิดอันนั้นจริงอยู่เขาเอ้นโลกียะทำอันนี้ คำว่าสัจจะเนี่ยหมายถึงความตายอยู่เนี่เขาเช่ศึกษาให้หวจความตายอยู่เนี่ยคี่ตายด้วยความทุกข์เนี่ยตายด้วยความบ่มีทุกข์คันตายด้วยความทุกข์เพรานเอิ้นโลกียะธรรมตายด้วยความบ่มีทุกข์เพรานเอิ้นโลกุตรธรรมตายด้วยความทุกข์เพราะเนว่าตายโดยมือบ่มีสติโดยบูรู้สึกตัวตายด้วยบบุีทุกข์นั่นคว่าตายโดยนีสติตายโดยรู้สึกตัวคนว่าเนี่ครที่ว่าใครศึกษาให้ปฏิบัติคนว่ามีเงินลอยล้านก็าย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 โลกผมซัวแล้วผมซัวกะหนีหมดที่ซื้อเนี่ยคือเงาผมวานี่นะเงาเงาพอวานยงาพอเลิกสูบยาต์ก็เลี้ยวซื้อๆด่นะมันก็มาลกกลัวนี่เงาผมซัวเลยเลิกไปเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้องขาเจ้าเล่นเบี้ยเล่นไพ่เบิ้งมาหัวศพครบงานดูหนังเนี่ยก็ล้วซื้อๆี่นะมันบ่เห็นอย่างให้เหรอวะหัวมันเนี่อันใจมันคิดอยากไปนะเดี๋ยวให้ดูจิตดูใจใจมันอยากไปหักคาดมันได้มีคนว่า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 โบ้แม ง, งคนนั่นคนอยู่หน้าตาแทงขามือเท่าคนอยู่เพราะเกิดจากคนได้เป็นลูกคนเนี่ยคันท่าคนก็ต้องเลือกคัดจัดเอาได้เหมนเลือกเขาอันใดเหมาะสมกับเอาอันใดว่เหมาะสมกับว่เอาเป็นว่าจยางนั้นจังหวาให้ตั้งตั้งใจเวลามันน้อยเมือ่อนึกไปสิบสองชั่วโมงนึงแบบเนี้ยเขามีเวียกอย่างไหนเขามาบวชเนี่ยเขามีเวียกอย่างไหนมาปฏิบัติธรรมานี่ยต้องปฏิบัติ การงานสิ่งที่มันมีไปเฮ็ดนี่ต้องจัดทำอันนี้บวชเฮ็ดยังปฏิบัติกรรบวเอาการงานเขาเอากเกษียรหลักแล้วนี่เขบาบวชจักบุญคุณของเขาที่มาเกิดเป็นคนนี่แล้วนี่มาเกิดเป็นคนนี่ยากนี่บวชนี่เนี่ยเขาบวงแม่คนมาเกิดเป็นคนบางคนเขาทอแม่มาแล้วตั้งทอขึ้นมาแทงออกมาเป็นบวชได้เกิดเป็นคนซะเนีน่ยบวชตายเลยบางคนเกิดออกมาได้เดือนนู้นตายกัวนี้เนีบางคน บางคนเกิดมาเป็นนุมเป็นสาวตายก็นี้่ันทันได้เข้าวัดสังธรร่วันทันรู้จักมียังอันนี้แหละพูดว่าเหลี่ยวหน้าเหลี่ยวหลังบางคนเป็นพอบ้านเงมงไปตายก็นี้บุญหัจักผิดทุกข์มียังเนี่ยพูดว่างานไปเหลี่ยวหน้าเหลียวหลังเหลี่ยวไซเหลียวขัวเขามีศิริจูเนี่ยหิดเห็ดหิดถัืมาทํามัดเซาวัดเด่นทํากันเ น, น่นอนอบรมก็ให้มันดีให้ตื้นเดึกลุกเซาวไว้พระสุดหมื่นพอบีสอนอันนี้เขาทานเห็ุ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 ก็ว่าจนแล้วผู้หันร้จักเก็บรถจักหาร้จักรใส่อะไรบัดนี้คนบุรู้จักหาบุ้รู้จักเก็บบุรู้จักใส่บุน่านี้รู้จักแทรหาซื้อๆใคบุ้รู้จักเก็บกับอได้อีกสิมีคนมาว่าให้อย่าพกฟังม่เหตดการณ์จริงดีนะลูกหลานนี่นะอย่าพกวัดดีได้เหตุผโอ้ยดีด่อครับบุ้นดีเยเพราะโบเก็บเลยแต่แกไปเห็นรถให้อย่างนั้นเทียงทุกครั้งวันเอ้า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 ขูดขัดเขาทเป็นนิ ส, สัยอย่าพ่อนี่เคยเป็นนิ ส, สัยที่ว่เป็นหนิครูบาเขี้ยนตีให้นุกเดึกนอนก็ น, นอนหลังครูบาอาจารย์แต่ย่าอบุเีรัมย์ทันอย่างพ่อถึงเวลานต้องนอนแต่ต้องตื่นถึงเวลาต้มาจิตตื่นพอดีคนกรุงเทพนี่ก็คือคนบาาน้านเฮาเลยเจ้า หกทุ่มยิ่งไม่ได้นอนตีสอบอยากนอนไปตื่นเอาโพูดหกโมงหรือโมงเต า, าเจ็ดโมงสอบเขาจารีบไปทํางานเป็นเขาจีเอาแบบนั้นมาโบได้บ้านของโบได้เขาต้องศึกษาต้องปฏิบัติจริงๆถึ่จะพอหวานตื่นเด็กหลับเราเรียนหนังสือก็อต้องตั้งใจเรียนสอบไล่ได้มีประวัติถ้ามันดีถ้าเรียนโบนดีประวัติโบดีไปไปสมัครก็ขอขอเขาบอกให้อ่านเนี่ ย, อยพอถามมันจะสมัครรับสมัครจากสิบคนเนี่ยที่เอาสิบคนเนี่ยไป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 จิตใจพองใส่จิตใจว่องไว้ตัดสิทธิ์ลงไปเราบกขาดคุณเอาว่าจิตใจเห็นแ จ, จ้งจิตใจรู้จริงคุณน่ะมิปัสจนาจิวาต่างเก่าลวงผาว่าเดิมเหมืนว่าตัางเก่าแท้ๆลองเทสบุญเนี่มันที่เป็นแเถะเนี่ยพ่อหัวใจอันนี้แหละจิงว่านํามาบอกมาสอนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่อยากให้ทุกคนนี่คนประจักษ์รวมทุกอันนี้